มูลสิบสองเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาว่าถึงบทเรียนเกี่ยวกับปฐมสมพโพธิกถาต่อวันนี้ก็ถึงปริเฉต ท, ที่ยี่สิบสี่อันว่าด้วยเทโวโรหณะปริวัต คือตอนที่ว่าดโดยการลงจากเทวโลกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงลงจากชั้นด า, ดาวดึงในวันมหาปุรณาในปริเฉตนี้ก็มีเนื้อความว่าการเมื่อพระผมีพภาคเจ้านั้นได้กระทรงกระทม ยมกปฏิหารแล้วก็ได้เสด็จไปประทับจำาภาษาอยู่ณดาวดึงประชาชนเมืองสาวัตถีและเมืองอื่นๆทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ภายในบริเวณต้นคันธามะพลึกนั้นเห็นพระพุทธองค์เสด็จหายรับสายตาไปแล้ว ก็พากันแส ด, แดงความอาลัยถึงบางพวกก็ร้องไห้พิไัยลำพันด้วยคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้พากันถามท่านพระมหาโมคคลานะถามว่าพระบรมมครูของเรานะั้นขึ้นไปสู่ภูเขาแล้ว ขึ้นไปสู่ภูเขาจิตกตรูดหรือภูสาเขาไกรลาดหรือภูเขาคันธมาศประการใดเราทั้งหลายนั้นมิได้เห็นพระองค์ในการลำบัดนี้ก็จึงได้เข้าไปถามท่านพระโมคคลานะว่าอย่างนั้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบรมครูของเรานะั้นเสด็จไปสถิตอยู่ณนะที่แห่งใด ท่านพระมหาเถระก็จึงได้กล่าวว่าโพท่านนั้นจงถามท่านพระอนุรุตเถระดูเถิดแล้วก็จะทราบเองมหาชนทั้งหลายก็จึงได้ไปถามท่านพระอนุรุตเถระท่านพระเถระก็จึงได้ตอบแก่ประชาชนว่าพระพุทธองค์นั้นเสด็จขึ้นไปจําพรรษาอยู่ที่บรรดุกัมพลศิลาอาดในดาวดึงสพิภพ เพื่อที่จะได้ตรัสพระธรรมเทศนาอภิธรรมเจตคัมภีรโรดพุทธมารดาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนใดเล่าองค์้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะกลับมาสู่มนุ์โลกท่านพระนุเถละก็จึงได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายพระบรมครูของเรานั้นตรัสแสดงตรัส เทนาอภิธรรมอิโดดทั่วนไตรามาสแล้วพอถึงวันมหาบูรณาก็จะกลับมาอย่างโลกมนุษย์ชนทั้งหลายจึงกล่าวแก่พระมหาโมคคลานะว่าถ้าเช่นนั้นพวกข้าพเจ้าทั้งหลายถ้าไม่ได้เห็นพระสัพพัญยูแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะไม่ไปจากที่นี้แล้วก็ชวนกันตั้งชวนกันพักแรมตั้งทัพและชมลมพักอาศัยกันที่ อาศัยกันโดยที่มิได้มีหลังขานั้นในการที่ประชาชนทั้งหลายได้จัดพักแรมเช่นนั้นเพื่อเป็นการรอสเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสามเดือนที่จ ะ, สะเสด็จลงมาสู่นุษโลกนั้นท่านพระมหาโมครานณะก็รับภาระในการแสดงธรรม และต่อปัญหาแก่ประชาชนทุกวันทุกวัดส่วนอาหารการบริโภคนั้นท่านจละหรือว่าจุลละอนาถบินธิกะเศรษฐีก็่จุลละานาถบินติกาขหาบดีเป็นผู้รับภาระในการที่จัดหามาบริการตลอดเวลาท่านก่อนจะถึงวันมาโภมหาบว า, าอยู่เจ็ดวันประชาชนทั้งหลาย ก็จึงได้เข้าไปหาพระโมคคัลลานะและก็กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าควรพวกเราทั้งหลายควรที่จะรู้วันที่องค์สุเด็จพระสัพพันญอยู่นั้นจะเสด็จลงจากเทวโลกให้แน่นอนและพวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็มิได้เห็นผู้บรมครูแล้วก็จะไม่ไปจากที่นี่ขอให้พระคุณเจ้านั้นจงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อที่จะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นจะเสด็จลงนาทีใดพระมหาโมคคลานะจึงได้สาแดงลิศขึ้นไปอย่างชั้นเดาดึงกระทาอัญชลีแล้วก็ทูลกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญพระพุทธองค์นั้นจะเสด็จลงจากเทวโลกในการเมื่อใด องทุนเดชพระสมมาสมพุทธเจ้าก็จึงได้มีพระดำลัดวันดูก่นโมคคลานะแต่นี้ไปอีกเจ็ดวันจะถึงวันมหาบรณาตถาคตจะลงจากเทวโลกณที่ใกล้ประตูแห่งเมืองสังกัศสนครซึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวถีประมาณสามสิบยในวันนั้นผิมหาชน ใครจะได้เห็นตถาคตก็จงไปที่นั้นเธอจงกลับไปแจ้งแก่มหาชนตามคําของตถาคตสั่งนี้พระมหาเถระก็กลับมาแจ้งแกประชาชนมาแจ้งแก่ประชาชนขั้นถึงวันว่าแจ้งแกปชช่ประชาชนประชาชนทั้งหลายเมื่อทราบดังนั้นแล้วก็จึงได้ ไปลอรับเสด็จอยู่ที่เมืองสังกัชนครขั้นถึงวันอัสยุชะปุณณมีเพ็ญเดือนสิบเอ็ดสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ก็ทรงโป ร, ราณาออกพรรษาแล้วจึงถวายพระพรลาท้าสกะเทวราชเพื่อที่จะเสด็จจากเทวโลกมายัางโลกมนุษย์ ถ้าสกาเทวราชนั้นจึงทรงจัดการทรงเสด็จอย่างเอกเบิกมโหลานโดยทรงเนลมิตบันไดสามบันไดเนลมิตบันไดขึ้นสามบันไดซึ่งบันไดทั้งสามบันไดนั้นก็ได้แก่บันไดทองอยู่เบื้องขวาส่วนบันไดเงินก็อยู่เบื้องซ้าย บันไดแก้วนั้นอยู่ในถ้ำกลางเชิงบันไดทั้งสามบันไดนั้นก็จะหลดพื้นภูมิภาคที่ใกล้เมืองสังกัดสนครแต่วัวหัวบันไดนั้นเบื้องบนนั้นก็จะหลดอยู่ที่ยอดเขาสิเนลุอันเป็นที่ตั้งแห่งดาวเดึงส พ, พิภพบันไดทองนั้นเป็นที่ลงแห่งหมู่เทวดาส่วนบันไดเงินนั้นก็เป็นที่ลง แห่งหมู่พวกพลมส่วนบันไดแก้วนั้นก็เป็นที่เสด็จลงแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขั้นได้เวลาจะเสด็จลงนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เสด็จประทับยืนอยู่ที่หัวบันไดแก้วเบนยอดเขาสินเนลุกถ้ำกลางถวยเทพและหมู่พลมที่ตามส่งเสด็จ ทรงกระทายมุก ป, ปฏิหารอีกครั้งหนึ่งเมื่อกระทำะยมุก ป, ปฏิหารแล้วก็ทรงกระทาโลกวิวรณะปาฏิหารคือปฏิหารเปิดโลกดังที่เราดังที่เราทราบกันว่าเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลก ปฏิหารเปิดโลกนี้โดยที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรขึ้นไปในเบื้องบนก็ทําให้มองเห็นเทวโลกและพระโมโลกโล่งตลอดไปทั้งหมดเมื่อทอดพระเนตรแล้วก็ทอดพระเนตรลงสู่น้ำเบื้องล่างก็ทําให้มองเห็นโลกตลอดไปถึงเอเวจีมหานรกแล้วพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรไปในทิศทั้งแปดทำได้ให้มองเห็นโลกกันไปทั่วหมื่นจักรวาล ในเวลานั้นเองพระพรหมเทวดามนุษย์ตลอดทั้งทางสันนิลก็สามารถที่จะมองเห็นซึ่งกันและกันได้ถึงหมื่นหมื่นโลกธาตุคือในเวลานั้นน่ะพระพรหมก็สามารถที่จะเห็นสัตนนิกสัตว์นรกก็สามารถที่จะเห็นพระพรหมเห็นเทวดาเห็นมนุษย์และเทวดามนุษย์ก็สามารถที่จะเห็นพระพรหมเห็นสัตว์นรกมนุษย์เทวดาก็อาจจะเห็นอสามารถที่จะเห็นกันซึ่งกันและกันได้ เรียวกว่าเป็นการที่พระองค์นั้นทรงเปิดมือโลกธาตุนั้นให้ได้เห็นซึ่งกันและกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในวันนั้นจึงเรียวกว่าเป็นวันเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกซึ่งวันพระเจ้าเปิดโลกนี้จะมีขึ้นในวันแรมเมื่อแรมหนึ่งค่เดือนสิเอ็ดคือหลังจากที่พระองค์ทรงปรณาออกพรรษาเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากเทวโลก ในวันนี้แหละที่เรานิยมกันเรียกว่าอที่เราเรียกกันว่าเป็นวันเทโวโลหณนะก็คือเป็นวันที่องค์สุเดศพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จลงจากเทโวโลกเสด็จลงจากเทโวโลกดังนั้นในวันเช่นนี้ก็ได้ปรากฏว่าเป็นวันที่ประชาชนนั้น นิยมทำบุญใส่บากกันเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่ององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงเปิดโลกให้ใหพระให้พระพรหมเทวดามนุษย์และตลอดสัตว์ตรนรกทั้งหลายได้เห็นซึ่งกันและกันแ ล, แล้วถวยเทพระเจ้าเหล่าพระพรหมทั้งหลายก็มีความเบิกบานใจกล่าวคําสดุดีพระพุทธองค์อย่างเ อ, อกริกอย่างยิ่ง ขั้นทรงกระทำโลกับวิวรณปฏิหารเปิดโลกเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จลงจากเทวโลกตามบันไดแก้วซึ่งมีหมู่เทพพญดาตามทรงเสด็จตามบันไดทองแล้วส่วนหมู่พรมนั้นก็ตามทรงเสด็จตามบันไดเงินส่วนปัญจจปัญจทิกขาเทพบุตรนั้นพร้อมด้วยบริวารก็เดทพินและฟ้อนลำขับร้องนำเสด็จลงจากทางบันไดแก้ว เทาสันดุสิทธิเวราชและเท้าสุยามเทวราชก็ถือทิพจามนรถวายงานพัดทั้งสองข้างซ้ายขวาเท้ามหาพรหมก็ถือทิพพระสเสวกฉัดกั้นเบื้องบนเท้าสกเทวราชก็ทรงอุ้มบาดเสด็จลงจากทางทางบันไดทองทรงเป็นมกุเทศนำเสด็จมาก่อนมาตุรีเทพประบุนั่น ก็ถือพระอบทองบรรจุดอกไม้ทิพนาณาพันธุโปรโยปลายดอกไม้ลงมาตามขั้นบันไดไปในเบื้องหน้าฝูงถวยเทพพดานและถวยเทพยานดาพร้อมทั้งประพรมตลอดถึงอศูรหน้าครุฑกุมพันธ์คนทันและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งได้มองเห็นซึ่งกันและกันโล่งตลอดหมืนจักรวาลก็พร้อมหน้ากันจัดเครื่องส ก, การะบูชาพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ก็เสด็จถึงแล้วก็ประทับยืนอยู่ที่เชิงบันไดแก้วซึ่งในวันนี้เองประชาชนทั้งหลายที่ได้เป็นรอรับเสด็จของพระพุทธองค์นั้นได้นำอาหารมิถอดที่จะไปถวายแด่พระองค์เพราะฉะนั้นการใส่บาตรวันนี้จึงได้เรียกว่าตักบาตรเทโว ประเพณีนี้ก็ได้มีสืบมาจนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ซึ่งชาวไทยของเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธนิยมกระทำกันในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดที่เราเรียกว่าตักบาทเทโวเพราะฉะนั้นในตักบาทเทโวนี้ประเพณีก็นิยมกระทำข้าวต้มลูกโยนกันโดยตามที่ประวัตินั้นก็ได้กล่าวว่าองค์สุเรตพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้น เมื่อขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกโดยบันไดแก้วนั้นประชาชนทั้งหลายต้องการที่จะใส่บาทแต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงใกล้พระพุทธองค์ได้ก็จึงได้จับข้าปราอาหารโยนขึ้นไปเพื่อจะใส่บาตรโดยพุทธาพินิหานั้นปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนโยนไปนั้นก็ลงไปในบาทของพระพ อ, องค์ดังนั้นประเพณีนี้เราก็จึงได้ถือ ในปัจจุบันนี้มักจะทำเป็นข้าวต้มลูกโยนกันนี่เป็นประเพณีของคนไทยที่ดิ้ือสืบกันมาในขณะที่พระองค์ทรงประทับยืนที่เชิงบันไดแก้วนั่นเองท่านพระสารีบุตรก็ถวายอภิวาทพระพุทธองค์แล้วก็ประกาศความปรีติยินดีต้อนรับเสด็จพระพุทธองค์ พระพุทธองค์นั้นก็จินได้ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนทั้งหลายเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่าภิกษุห้าร้อยลูกซึ่งเป็นสธิวิหาริกของพระสารีบุตรก็บรรลุพระอรหันต์แต่นทั้งหมดพร้อมด้วยประชาชนเป็นจำนว น, น, นมากได้บรรลุธรรม คือได้ดวงตาเห็นธรรมได้ลือแจ้งเห็นธรรมนั้นมีจำนวนเป็นจำนวนมากในวันนั้นองค์สุเดวด้ระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระประสงค์ที่จะประกาศคุณแห่งพระสาวกในพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่กประชาชนดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ทรงตั้งปัญหาถามตั้งแต่ระดับปุถุชนผู้เป็นผู้หูเสกจนกระทั่งตราบเท่าถึงลําดับพระอระหันต์อัคครสาวก และลำดับพุทธวิสัยภาษาของพระพุทธองค์นั้นก็ทูลต่อปัญหาเหล่านั้นในลำดับอันเป็นวิสัยของตนของตนก็คือว่าลำดับของปุถุชนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาอันเป็นลำดับของปุถุชนได้แต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอันเป็นลำดับของพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันไดพโพสดาบันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไม่ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในลำดับ ของตนได้แต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในลําดับของพระสเกทาคามีได้เป็นลําดับตระดับไปเช่นนี้จนกระทั่งพระอระหันต์ทั้งหลายก็ไม่สามารถสามารถที่จะแก้ปัญหาอันเป็นวิสัยของตนได้แต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทูลกราบทูลแก้ปัญหาอันเป็นวิสัยของอัครสาวกได้ ส่วนท่านพระอักขสาวกทั้งสองคือท่านภาษาลีบุตรกับพระโมคคัลลานะนั้นก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในวิสัยของอักขสาวกได้แต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในพุทธวิสัยได้เช่นกันดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้มีพุทธบัญชานั้นให้ท่านภาษาลีบุตรเทศนา โปรดประชาชนที่มารับสเสด็จให้เด็ดเดินรถแห่งอมตะธรรมแล ะ, ะเพื่อให้เกิดความเรื่มใสในพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นแผ่นศิลาใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่เชิงบันไดทิศใกล้ประตูแห่งเมืองสังกัดสนครนั้นประชาชนก็พร้อมกันสถาวนาสถานที่นี้ให้เป็นปูชนียสถานซึ่งเรียกเรียกชื่อกันว่า จะละเจดีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานี่ก็เป็นเนื้อความในปริเฉตที่ว่าด้วยปริเขตที่ยี่สี่อันว่าด้วยเทโวโลหณะปริวัติในปริเฉตที่สิบหกในในปริเศษที่ยี่สิบห้าอันว่าด้วยอคราสาวกนิพพานปริวัติ ในปริเฉตนี้ว่าถึงตอนที่พระอักษ า, าวกทั้งสองคือท่านภาษาลิบุตรกับพระโมคคัลลานะนั้นปรินิพานจำเดิมแต่องค์ุณเดะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าในตัทรุอนุตระสัมมาสัมปทิยานคำนวณพระชนมายุการได้สามสิบห้าพระวันษา แล้วพระองค์ก็เริ่มบำเพ็ญประหิตรประโยชน์คือประโยชน์เลือกกูลแก่ผู้อื่นหรือสัตว์เหล่าอื่นโปรดเวนายสัต์นั้นตลอดมาในภาษาที่หนึ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนามลิกเทยวันเมืองพาราอนสีซึ่งในภรรษาที่หนึ่งนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จไปจำพรรษาที่ปล า, ายศตวรรษมทายวันนี้ก็เพื่อไปโปรโดเทศนาพระธรรมเทศนาโปรโดปัญจวัคคีทั้งห้าเมือ่อเมื่อพระองค์ได้ทรงเทศนาโปรโดในพระสูุที่วดธรรมจักกับปรวปรตนะสุดซึ่งเป็นปฐมเทศนาแล้ว พระองค์ก็ดีอยู่จำพรรษาณที่ป่าอิสิปตนามลิกธายว น, นั่นเองและในภายในพรรษานั้นพระองค์ก็สามารถยังยะสะกุลบุตรพร้อมด้วยสหายอีกห้าสิบสี่ท่านด้วยกันรวมเป็นห้าสิบห้าให้ได้บรรลุอรหัตผลปรากฏวันในพรรษายุการนั้น พระมหาสาวกหรือเรียกว่าอริยาสาวกนั้นได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกถึงหกสิบองค์เมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็จึงได้ส่งไปประกาศศาสนาในขามณิโคนทนบท ต, ต, ต่อไปในพรรษาที่สองที่สามและที่สี่พระพุทธองค์นั้นก็เสด็จจำพรรษาอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหาร นกรุงราชคลีมหานครซึ่งพระเวฬุวันมหาวิหารนี้เป็นพระอารามหรือว่าเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมิสารพระสัต่งกรุงราชคลีได้ถวายเพื่อเป็นที่อยู่จำพรรษาแด่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระทิ่สุสก์ในพรรษาที่ห้า พระองค์เสด็จจำพรรษาอยู่ที่กูตาคาราสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองบุวสาลีซึ่งในพรรษาที่ห้านี่แหละขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาอยู่ที่กูตาคาราสาลาป่ามหาวันนี้ในภายในพรรษานั้นพระพุทธบิดาก็ทรงพระประชวรหนักแล้วก็เสด็จ ดับขันธวริิพานในพรรษาที่หกทรงจำพรรษาอยู่ที่มะกุฏะบันพศในทรงทรมานอาสูรเทวดาและมนุษย์เป็นจำนวนมากให้หายพยศและก็ในพรรษาที่ 7, เจ็ดเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่บันดุกัมพลศิลาอาจ ภายใต้ต้นปาริชาติแห่งภพดาวดึงซึ่งหลังจากที่พระองค์นั้นได้ทรงกระทำยมกฎปฏิหารแล้วก็จึงได้เสด็จขึ้นไปยังชั้นอนภิภพดาวดึงนั้นสแสดงอภิธรรมอภิดกโปรดพุทธพุทธมารดาตลอดท่วนไตรามาสออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จลงจากเทวโลก ในภาษาที่แปดทรงจำภรษาอยู่ที่เพศะเภสะกะลาวันป่าไม้สีเศษใ ก, กล้กรุงสูงสุมาละีรีแห่งพัคะชนบท <c oughs> หรือแห่งแคว้นมัคคลาดแหมควแวนมัคภพัะในภาษาที่เก้านั้นเสด็จจำภาษาที่ป่า ป่าเลลยกะหรือป่าลิไ ล, ลป่าลิ่ไลวันสถานอาศัยช่างชื่อว่าปาลิ่ไลยหัตถีทำรรวัดปฏิบัติซึ่งในภ ร, รษานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงหนีพระภิกษุซึ่งได้เกิดการทะเลาะกัน ร, ระหว่างภิกษุวินัยทรกับพระธรรมกะถึกซึ่งพระองค์ห้ามปรามแล้วไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามคําของพระพุทธองค์พระองค์ก็จึงได้เสด็จ เลกออกมาจำพรรษาอยู่แต่เพียงผู้เดียวที่ป่าลี่เลยะที่ป่าลีเลยะกะนั่นที่ป่าแห่งนี้ก็ได้อาศัยช้างป่าลี่เลยะยกะต้นหนึ่งได้ทำวัดอุปถัภพระองค์ในพรรษาที่สิบนั้นจำพรรษาอยู่ที่บ้านนาลายะพรมในพรรษาที่สิบเอ็ดทรงจำพรรษาอยู่ภายใต้ล่มไม้ ล้มไม้สสดาที่เรียกชื่อว่าปุจิมันทพฤกที่ใกล้เมืองเวลันชาในภาษาที่สิบสองทรงเสด็จจำพรรษาที่ปาลิยบันพศในภรรษาที่สิบสามเสด็จจํารรษาที่พระเชตวันมหาวิหารณพระนครสาวัตถี ซึ่งเชตวันมหาวิหารพระนครสาวัตถีนี้ท่านอนาถปินดิกะเศรษฐีได้สร้างถวายในพรรษาที่ 14, สิบสี่เสด็จจำพรรษาที่นิคโครธารามหามหาวิหารใกล้กรุงกบิลพัทซึ่งนักสถานที่นี้เององค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งไปโปรดพุทธบิดาครั้งแรก พระองค์ก็ได้ไปประทับอยู่ที่ที่โคราลามหาวิหารนี้ซึ่งกษัตริย์แห่งสกยะและกุิย์พระญาติทั้งสองฝ่ายนั้นได้สร้างเป็นที่ประทับสวายและในครั้งที่พระองค์ภรรษาที่ห้าที่พระองค์พร้อมด้วยพิสุสงสเด็จไปอุปถาพระพุทธบิดานั้นพระองค์ก็ได้ไปประทับอยู่ที่นี่แต่มิยังไม่ได้จำพรรษา แต่ในพรรษาที่สิบสี่นี่แหละพระองค์ได้ทรงสเสด็จไปจำพรรษาที่สถานที่แห่งนี้นิโคลธาลามหาวิหารนี้ก็เพื่อที่โปรดเป็นการโปรดพระญาติทั้งสองฝ่ายเพราะเหตุที่ว่าพระญาติทั้งสองฝ่ายนั้นทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องแย่งน้นําในแม่น้ําโลหินีเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ ในพรรษาที่สิบสี่นี้ทรงจำพรรษาอยู่ที่นิโคราธารามมหาวิหารซึ่งอยู่ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำโลฮินีในอ่า ใ, ใกล้กรุงกบิลพทัทนั่นเองในพรรษาที่สิบห้าก็ได้เสด็จจำพรรษาอยู่ที่อัคคาลอัคคารวะเจดีใกล้เมืองอาราวีหลังจากที่ได้ทรงทรมานอาราวกยักษ์จนกระทั่งให้หายพย์ไปแล้ว ในพรรษาที่ 16, 17และ18ก็เสด็จจําพรรษาอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารณที่กรุงราชคลึในพรรษาที่19จนถึงพรรษาที่44พระองค์ก็ได้เสด็จจาพรรษาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารและก็ที่บุพารามซึ่งบุพารามนี้ เป็นวัดที่พระอานที่พนาง ว, วิสาขามหาบัติกาได้สร้างถวายกับพระองค์โดยการที่ได้สลับกันคือทรงจำพรรษาที่พระเชตวันที่อนาถบินดิกาเศรษฐีสร้างถวายนั้นสิบเก้าพรรษาและก็ที่บุพารามนั้นได้จำพรรษาอยู่หกพรรษาขั้นในพรรษาที่สี่สิบห้าซึ่งเป็นพรรษาสุดท้าย ของพระองค์นั้นพระองค์ก็ได้ทรงจำพรรษาอยู่ที่บ้านเวลวะค า, ามใกล้พนครนมวสาลีภายในพรรษานั่นเองพระองค์ก็ทรงไปชวนอ า, าพาธหนักครั้งหนึ่งพระองค์ก็ทรงเยียว ย, เ ย, ยวยาบาบัดให้ระ ง, งับไปด้วยโสอสถคือพระสมบัติขั้นออกพรรษาแล้ว พระองค์ก็รับสั่งแก่พระสารีบุตรว่าดูกนสารีบุตรในเวลาไม่ช้านะักตถาคตจะปรินิพานสารีบุตรตถาคตจะไปพระนครสาวัตถีขอให้เธอนั้นจงบอกแก่พระพิสุททั้งหลายพระเถระรับบัญชาแล้วก็ออกมาสั่งภาษาวกให้เตรียมการที่จะตามเสด็จ พระพุทธองค์จึงพร้อมด้วยพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็จึงได้เสด็จจากเมืองเวสาลีมาประทับณพระเชตวันมหาวิหารเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาว่าถึงบทการบทเรียนเกี่ยวกับปฐมสมโพธิกถาในบริเขตที่ยี่สิบห้าซึ่งยังค้างอยู่ต่อครั้งนี้แล้วนั้นได้กล่าวมาถึงตอนที่ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงประทับจำฝึกอาจำพรรษาอยู่ในสถานที่ต่างๆรวมด้วยกันทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตัสรูมาแล้วจนกระทั่งจะปริิพ า, านนั้นรวมด้วยกันทั้งหมดเป็นสี่สิบห้าพรรษาด้วยกันเป็นโดยลาดับมาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อประมวลพระชนมายุของพระองค์แล้วคืออ่า จากที่พระองค์ได้อุบายิขึ้นมาในโลกแล้วนั้นก็ดำลงอยู่ในเพคคลาวาดยี่สิบเก้าพันษาจึงเสด็จออกบรรพชาเมื่อบรรพชาแล้วก็ทรงกระทำทุกกระตริยานั้นและก็ทําความเพียรประมาณถึงหกพันศาก็จึงได้ตัดสรุเมื่อตัดสรุแล้วก็เสด็จเที่ยวจาริกบำเพ็ญพุทธกิจและจำภรษาในที่ต่างๆรวมทั้งหมดได้กันสีน่สิบห้าพรรษา จึงรวมพระชนมายุของพระองค์นั้นได้แปดสิบพันพรรษาซึ่งในพรรษาสุดท้ายนั้นองค์สุเพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านเวลุวะคัมใกล้พระนครสาวะแสอใกล้พระนครเวสาลีนั้นซึ่งภายในพรรษานั้นสามเดือนพระองค์ก็ทรงพระประชวรหนนะักครั้งหนึ่ง แล้วก็ทรงบรรเทาโลาพาดด้วยชาญสมาบัติจนหายจนกระทั่งได้รับความผาสุก ข, ขันออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสแก่ภาษาลิบุตรผู้อักษาวกว่าดูก่ราสริบุตรไม่ช้านะักตถาคตจับปรินิพานนะพวกเรามาไปเมืองสาวัตถีพร้อมกันเถิดท่นานภาษาลิบุตรก็จึงได้กราบรับพระพุทธรัตแล้วก็จึงได้แจ้งให้พระภิกษุสงฆ์ ทงพวในราบ พ, พระพุทธองค์พร้อมโดยพิสุสงฆ์ผู้เป็นสาวกก็จึงได้เสด็จออกจากบ้านเวลุวะคามเมืองเวสลีเสด็จไปประทับณพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีต่อไปฝ่ายท่านภาษาลีบุตรนั้นได้กระทําวัดปฏิบัติถวายพระพุทธองค์เสร็จแล้วก็หลีกไปพักผ่อนณนะที่พักกลางวัน บรรดาพระพิสุส่งที่เป็นศิษย์ก็ได้แสดงค า, าวะแก่พระเถระแล้วก็พากันหลีกไปพักตามอัธยาศัยครั้งนั้นเองท่านภาษาลิบุตรก็ได้เข้าฌานสมาบัติพักผ่อนอยู่จนเป็นสุขเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วก็จึงได้พิจารณาว่าตามประเพณีโบราณ น, นั้นน่ะพระพุทธเจ้ากับพระอัครสาวกนั้นน่ะใครนิพพานก่อนกัน ดังนั้นท่านพระท่ภาษาลิบุตรนั้นก็จึงได้ทรงเข้าอติตังสยานพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าและพระอักรสาวกในอดีตการก็ทราบได้โดยยานว่าอักขพระอักขสาวกนั้นของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นนิพพานก่อนพระพุทธองค์ก่อนพุทธบริณิพานทุกทุกทุกทุกท่าน ดังนั้นเมื่อทรงทราบเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ทรงมาก็กลับมาพิจารณาทั้งข่ายของตัวเองพิจารณาชีวิตของตัวเองว่าเรานั้นจะมีอายุยืนยาวไปได้อีกสักเท่าไหร่เสร็จแล้วเมื่อพิจารณาชีวิตของตัวเองแล้วก็ทราบว่าชีวิตของตนเองนั้นจะอยู่ได้ไปอีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเมื่อดําริได้เช่นนี้แล้ว จึงได้พิจารณาต่อไปว่าแล้วตนเองนั้นจะไปปนินิพันธ์ณที่ใดพิจารณาถึงที่ต่างๆก็ได้ทราบว่าณที่แท่นบรรดุกมพลศิลาอาจพระลาวหุนเทละผู้เป็นพุทธปิโยรถหรือเป็นพุทธปิโยรถนั้นก็ได้เสด็จไปปา น, นิพานก็ได้ไปปนินิพานเส็แล้วส่วนที่ สะชัดท่านที่หิมมวันตประเทศท่านพระอัญญาโกนธัญญะก็ไปปณิพาน์เสร็จแล้วแล้วตัวของอาตมาเองจะไปปณิพาน์ที่ไหนดีเมื่อพิจารณาเช่นนี้แล้วก็จึงได้ปลาลบถึงมารดาของตนเองหวนมา น, นึกถึงมารดาของตนเองว่ามารดาของอาตมานี้ได้เป็นมารดาของพระอาหารหันต์ถึงเจ็ดพระองค์แล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เลื่อมสายในพระรัตนตรยัยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คือนางสาลีพราหมณีซึ่งเป็นมารดาของท่านภาษาภาษาลิบุตรนี้นั้นนะมยย่มีลูกชายอยู่ด้วยกันมีลูกชายอยู่ด้วยมีลูกชายอยู่ด้วยกันสี่สี่คนก็คือท่านภาษาลิบุตร ท่านพระจุนทะท่านอท่านพระจุนทะแล้วก็ท่านอุปเสนะวังคันตบุตรแล้วก็เลวตะซึ่งเป็นลูกชายสี่คนนี้ก็ได้บวชพระบวชในพุทธศาสนาจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หมดแล้วแล้วก็ยังมีลูกสาวอีกสี่อีกสามท่านเดียกันคือจารา อุปจาราและก็สีสุปจาราทั้งสามนี้ก็ออกบทเป็นภิกษณุณีจนกระทั่งได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์หมดแล้วแต่ว่านางสาลีพราหมณีผู้นี้ยังไม่ได้นับถือยังไม่เลื่อมใสในพระัตนตรัยเลยท่านภาษาลิบุตรเมื่อหวนระลึกเช่นนี้ก็นึกขึ้นว่ามารดาของเหล่านี้แม้แต่จะมีะเป็นมารดาของพระอรหันต์ถึงเจ็ดองแล้วก็ยังไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนา ตนเองนั้นหรืออาตมานั้นสอนบุคคลอื่นให้เลื่อมใสในพัตนาตรายได้แต่ยังไม่สามารถที่จะให้มันดาของตนเองนั้นร่วมใสในพัตนาตรายได้ก็จึงได้ใข้ครวญดูอุปนิสัยของมันดานั้นว่าจะได้บรรลุมรรคผลหรือไม่เมื่อใครครวญแล้วก็เห็นทราบชัดว่ามันดาของตนเองนั้นมีวิมีอุปนิสัยแห่งพระโสดาบันได้คือมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ดังนั้นก็จึงได้ตัดสินใจว่าอาตมภาพนี้ควรจะกลับไปปริณิพนธ์ที่เลือนมารดาของตนเองคือในบ้านในในห้องที่ตนเองได้กําเนิดเกิดมาเพื่อเป็นการโปรดเพราะโปรดมารดาของตนเองนั้นเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นแล้วเธอจึงได้ไปบอกแกพิษุทั้งห้าร้อยบอกกับน้องชายของตัวเองคือพระจุนทะ แล้วก็ให้ไปบอกแก่พิสุผู้เป็นวิวานทั้งห้าร้อยว่าตนเองนั้นมีความประสงค์ที่จะกลับไปที่ตำบล น, นรันทาท่านพระจุนทะเถระนั้นรับเถรบัญชาแล้วก็ออกไปแจ้งกับพิสุสงฆ์ทั้งปวงที่เป็นบริวารของท่านพระสารีบุตรเมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วท่านพระสารีบุตร ก็จึงได้นำไปนาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาก็จึงได้กราบทูลกราบทูลแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ชีวิตของข้าพระองค์นั้นเหลืออยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นข้าพระองค์นั้นขอถวายบังคมลาปรินิพาน พระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสถามว่าสารีบุตรเธอจะไปปรินิพานที่ไหนพระเถระก็กล่าวทูลว่าข้าพระองค์นั่นจะไปปรินิพานณที่ห้องข่าพระพุทธองค์เกิดในเรือนของมันดาพระเจ้าค่ะพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าสารีบุตรเธอจงกําหนดการนั่นโดยควรเธดแล้วพระองค์ก็จึงได้ตรัสอ่าพระองค์ก็จึงได้ ตรัสตอบไปว่าเธอนั้นจงแสดงธรรมโปรดภิกษุชั้นน้องๆซึ่งภิกษุชั้นน้องๆ น, นั้นจะได้เห็นพี่เหมือนอย่างเธอนั้นหาได้ยากฉะนั้นเธอจงแสดงธรรมโปรดแก่น้องๆของเธอนั้นเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความลึกสำหรับครั้งนี้ก่อนเถิดท่านภาษาล่บุตร ได้รับพุทธประธานโอกาสเช่นนั้นแล้วก็จึงได้แสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศแล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดแก่พิสุท์ทั้งหลายณนะถ้ำกลางอากาศนั่นเองเมื่อจบธรรมเทศนาแล้วก็จึงเดินลงจากอากาศถวายบังคมพระบรมศ า, าสดานั้นคลานถอยออกมาจากพระคันธกุฎี ในขณะนั้นเองในขณะนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งก็ไ ด, ด้เสด็จลุกออกจากอาสนะอ อ, อ, อ, อ, อ, ออกมาส่งท่านพระสารีบุตรนี้จนถึงหน้าพระคันธกุณดีพระธรรมพระธรรมาเสนาบดีนั้นกระทำประทักษิณเวียนสามรอบแล้วประคองอัญชลีกราบทูลว่า ในที่สุดอสงไข์กับหนึ่งแสนกับล่วงมาแล้วข้าพระองค์นั้นได้หมอบกราบลงแทบบาดมูลของพระอโนมทัสีสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งปณิธานปรารถนาที่จะพบพระองค์และแล้วมโนรสของข้าพระองค์นั้นก็สาเร็จสมประสงค์ตั้งแต่ได้เห็นพระองค์เป็นปฐมทัศนะ บัดนี้เป็นปัจฉิมทัศนะแห่งการที่ได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถะของข้าพเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าท่านภาษาลิบุตรทูลเพียงเท่านี้แล้วก็ถวายบังคมลาถอยออกมาพอควรแล้วก็กราบนมัสการลงที่พื้นพระสุธาบายหน้าออกไปจากเชตวันมหาวิหาร ในขณะนั้นเององค์ุณเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้กล่าวแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอจะตามพี่ชายของเธอก็อกไปได้ก็ตามเมื่อมีความประสงค์ต้องการจะตามพี่ชายของเธอก็ตามไปพิสูจน์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากได้ตามมาส่งท่านพระเถระจนกระทั่งท่านพระเถระนี้มาจนถึงประตู แห่งพระเชตวันมหาวิหารก็จึงได้หูจึงได้กลับได้จึงได้กล่าวแก่พิสุททั้งหลายว่าให้กลับอยู่คอยปลคอยเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและตนเองก็พาบริวารของตอนเองนั้นประมาณห้าร้อยองค์นั้นออกเดินทางจากพระเชตวันมหาวิหารสู่นาลันธา พระเถระร้อมด้วยพิสุสงประมาณห้าร้อยูปนั้นใช้เวลาเดินทางเจ็ดวันจึงถึงบ้านนาราันธาเมื่อมาถึงแล้วก็จึงได้พักอยู่ใต้ต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งใกล้ๆกับประตูบ้านที่นารันธานั้นในขณะนั้นเองอุปรวตะหลานชายของท่านภาษาลิบุตร ออกมาธุระนอกบ้านได้พบพระเถระแล้วจึงได้เข้าไปนมัสการพระเถระก็จึงได้สั่งให้ไปบอกแก่นางสาลีผู้เป็นโยมันดาว่าให้จัดแจงห้องที่ตนให้จัดแจงห้องสำหรับพักของพระภิกษุสงฆ์ประมาณห้าร้อยลูกอุปรเร ว, วะตะนั้นก็จึงได้นำความนั้นไปบอกแกยาย ของตนเองคือนางสาลีตามคําสั่งของพระสาลิีบุตรผู้เป็นลุงนางสาลีพราหมณาีนั้นเมื่ได้ยินข่าวเชนีแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างมากโดยที่ตนเองคิดว่าลูกชายของตนเองนี้คงจะเบื่อในการบําเพ็ญสมณธรรมหรือในการที่เป็นพระพิสุสง์แล้วกลับมาครั้งนี้คงจะกลับมาสุดแน่ก็ดีใจก็จึงสั่งให้ บริวาณทั้งหลายจัดห้องที่สำหรับให้พอแก่พระที่จะพักเดียกันประมาณห้าร้อยลูกแล้วก็จึงได้สั่งให้อุปรลเอวัดนั้นออกมารัตนาหลวงลุงคือภาษาริบุตรพร้อมโดยพระพิสุสงฆ์ให้เข้าพักในบ้านท่านภาษาลิบุตรเมื่อได้เข้าไปในบ้านแล้วก็จึงได้สั่งให้พระเทลอาพรแให้พิสุสงฆ์ทั้งหลายนั้น จึงเป็นเถลานุเถละพักตามห้องต่างๆส่วนตนเองนั้นก็เข้าไปพักในห้องที่ตนเองเกิดตนเองเกิดพอถึงเวลาค่ำในการที่ปฐมยาม น, นั่นเองอาการไข้ของท่านภาษาลิบุตรนี้ก็ปรากฏแรงกล้าขึ้นคือโลพาคาพาเนี่ยได้เกิดแก่พระเถละจนกระทั่งถึงการอาเจียนเป็นโลหิต มันดาคือนางสาลีได้เห็นเหตุการณ์ที่นั้นก็เกิดทุกข์ใจเป็นอย่างมากในค่ำคืนนั่นเองท้าจาตุมหาราชท้าสกกะท้าสุย า, ามท้าสันดุสิทิเวราชและก็ท้ามหาพรหมทั้งหลายก็ได้มาเยี่ยมอาการไข้ของท่านพระเถระมิไดขาดแสดงตนของตัวเองให้นางสาลีบุตรเห็นเป็นอัศจรรย์ นางสาลีนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นก็จึงได้ถามพระจุนทะผู้เป็นพระลูกชายนั้นถึงอาการไข้ของท่านภาษาลีบุตรว่าเป็นอย่างไรท่านได้ทราบอาการเสร็จแล้วก็จึงได้เข้าไปถามท่านภาษาลีบุตรว่าผู้ที่มาเยี่ยมนั้นเป็นใครอผู้ที่มาเยี่ยมนั้นเป็นใครท่านได้ทราบว่าเป็นเทพเจ้าและพระพรมผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็จึงเกิดความปลื้มใจ คิดว่าลูกของตนเองซึ่งเป็นสาวกแท้ๆยังมีอนุภาพถึงเพียงนี้ก็พระบรมศาสดาของลูกชายเหล่านั้นจะต้องมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่านี้ไปอย่างแน่นอนท่านภาษาลิบุตรทราบวาราจิตของนางสาลีผู้เป็นมันดาแล้วก็จึงได้กล่าวกันนางสาลี นางสาลีผู้เป็นมารดาของตอนเองว่าถ้ามหาพรหมองค์นี้แหละแม่ในวันที่พระบร ม, มครูของลูกประสูตรก็ได้เอาตาข่ายมารองรับถวายการบำรุงรักษาอยู่เป็นนิดแม้ถึงในวันที่เสด็จลงจากเทวโลกก็ยังได้กั้นฉัดถวายนางสาลีได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็เห็นว่าคุณอันมหาศาล ว่าอนุภาพของบุตรของเราอนุภาพของบรมศาสดาของบุตรของเรามีอนุภาพขนาดนี้ก็จึงได้เกิดความปีติเบิกบานใจเป็นอย่างมากเมื่ออะไรเสร็จแล้วพระสาทธานพภาษาลิบุตรเถระก็จึงได้แสดงทำโปรดมารดาของตนเองจนกระทั่งให้ได้บรรลุโสดาปฏิพัซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลายามที่สาม คือยามสุดท้ายแห่งราตรีท่านภาษาลิบุตรนั้นก็จึงได้ถามแก่พระจุนทะถึงเวลาการเช่นนั้นเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วก็จึงให้มารดาของตัวเองกลับไปพักผ่อนในเวลาใกล้ลุงนั่นเองโลคาพาตอันมีกําลังก็ได้เกิดขึ้นแก่ภาษาลิบุตรเป็นอย่างมากท่านภาษาลิบุตรนั้นก็จึงให้พระจุนทะให้เรียกให้พระจุนทะนั้น ให้เลือกพิสุสงฆ์ทั้งหลายเข้ามาแล้วก็ให้พระจุนทะผู้เป็นน้องชายนั้นประคองลุกประคองให้ตนเองลุกขึ้นนั่งแล้วก็จึงได้กล่าวว่าอาวุโสตลอดเวลา44พรรษาที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามมากรรมอันใดที่มีชอบใจแก่ท่านทั้งหลายจะพึงมีท่านทั้งหลายขอจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเทิด ภิสูจทั้งหลายก็ได้กราบเรียนธนว่าฆ่าแต่พระมหาเถระตลอดเวลาที่พวกกระผมทั้งหลายมีความประมาทสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพระมหาเถระโปรดกรุณาอดโทษแก่พวกกระผมด้วยเถิดพอเวลาอารุณปรากฏนั้นก็ปรากฏว่าท่านพระธรรมเสนาบดีนี้ก็ดับขันธปรินิพานในวันปุรณมี ในราตรีแห่งวันบุรมีดิถีขึ้นสิบห้าค่ำแห่งเดือนสิบสองแห่งเดือนกติมากามาตยพอวันลุ่งขึ้นนั้นท่านพระจุนทะพร้อมด้วยพิสุงสงทั้งหลายก็จึงได้จัดแจงกระทำชาปนากิจศพของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ได้ห่ออัฐิธาต์ตลอดจนกระทั่ง อธิบริการหลายขอ ง, อของท่านภาษาลีบุตรนั้นนำกลับไปถวายพระพุทธองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารองค์สุเดระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสสั่งให้สร้างพระเจดีย์และบรรจุอธิธาของท่านภาษาลิบุตรไว้ที่ซุ้มประตูพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ เมื่อได้สั่งให้บรรจุไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมด้วยพิสูจนสงฆ์ทั้งหลายก็จึงได้จากเมืองสาวัตถีคือจากพระเชตวันมหาวิหารนั้นสเสด็จมาอย่างกรุงราชครึ้แล้วก็ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารในการนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้อยู่ที่ กาลศิลาในแคว้นมัคตชนบทในแควนมัคตนั่นเองหมู่เดรทีทั้งหลายก็พากันปรึกษาว่าพระมหาโมคคลานะนี่มีอนุภาพมากสามารถไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปแล้วก็ไปนำข่าวไปนำข่าวจากญาติญาติทั้งหลายที่เกิดในสวรรค์ก็ดี ที่เกิดในในรกนรกก็ดีมาบอกแก่บรรดาหมู่ญาติมิตรในมนุษยโลกพวกมนุษย์ทั้งหลายก็จึงได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงได้ถวายปัจจัยสี่เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ทําให้พวกเราทั้งหลายนี่เสื่อมจากลาบจากความนับถือจ า, จากความนับถือของมหาชนเป็นอันมากเพราะฉะนั้นลาบไอลาบที่เสื่อมจากของพวกเราที่เสื่อมไปนั้นก็เพราะ เหตุที่พระโมคขาลานะนี่นเองดังนั้นเราควรที่จะกำจัดคือควรฆ่าพระเถระเสียคั้นในปรึกษาขั้นตกลงเช่นนี้แล้วก็จึงได้เลี่ยนลายทรัพย์จากอุปถาของตนเองคือผู้ที่ดีเลื่อมใสของตนเองแล้วก็จ้างโจรให้ฆ่าพระเถระพวกโจรทั้งหลายประมาณห้าร้อยท่านเดียกันนั้น เมื่อได้ค่าจ้างแล้วก็พากันไปที่อยู่ของพระเถระไปล้อมที่จะจับพระเถระพระเถระก็ได้ทำปฏิหารหนีไปทุกครั้งพอโจรพยายามเหล่าพวกโจรทั้งหลายเหล่านี้พยายามล้อมจับพระเถระอยู่ถึงสองเดือนแต่ก็ไม่สามารถที่จะจับพระเถระได้ขั้นพอถึงเดือนที่สามนั้น พระเถระมาพิจารณาดูแล้วว่าเห็นว่ากรรมที่ตนเองก็ทําไว้ในชาติปางก่อนนั้นติดตามมาควรที่จะรับกรรมเสียดังนั้นจึงยอมให้โจรจับกรรมที่ท่านพระมหาเถระคือพระมหาโมคคลาเถระได้กระทาไว้ในชาติปางก่อนนี้ก็คือในออ่าคืในชาติปางก่อนนี้นั้นถอยหลังจากนี้ไปหลายกับ ท่านพระมหาโมคคลานะนี้ได้เชื่อฟังคำของพัน ญ, ญาของตัวเองแล้วก็ได้ทุกตีมารดาบิดาของตนเองกรรมที่ได้ทุกตีมารดาเขงบิดาของตัวเองนั้นปรากฏว่าในชาตินั้นเมื่อพระเถระนีได้สิ้นชีพไปแล้วไปเกิดโงกไหมยอยู่ในในนรกนี้สิ้นกาลนาม เมื่อได้ไปเสวยผลกรรมพอที่เป็นเหตุให้เ บ, เบาบางได้แล้วพระอพระมหาเถรนี้ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดฉานบ้างแล้วก็ถูกทุกตายนั้นประมาณถึงห้าร้อยชาตินี่เพราะอำนาจที่โทษที่กระทำแก่มารดาบิดาเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่กระทำต่อบิดามารดานี้ถือว่าเป็นกรรมอํานาก เพราะบุคคลในโลกนี้จะหาบุคคลใดที่มีพระคุณยิ่งกว่าบิดามารดาหาไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นองค์สุเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ยกย่องพระผู้ที่เป็นบิดามารดานี้เท่ากับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในอนันตริยกรรมห้าประการนั้นก็มีหนึ่งข้ามารดาสองข้าบิดาสามข้าพระอรหรันต สีท่ทำโลหิตตุบาตและก็ห้าทํำลายสังฆเพศกรรมห้าประการนี้เรียกว่าอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากเป็นการห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานมีแต่จะไปเอเวจีอย่างเดียวเท่านั้นคือบุคคลแม้แต่มีอุปสิทธิ์อันนี้อุปนิสัยที่จะได้มรรคผลนิพพานก็ห้ามเพราะเหตุที่ตนเองทํามาตุค่าปิาตุค่าคือฆาบานดาบิดานี้ เรีกว่าห้ามมักห้ามผลห้ามมักห้ามผลห้ามนิพพานแล้วก็ห้ามสวรรค์ด้วยคือบุคคลที่กระทําเช่นนี้ไม่สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ได้มีแต่ทางไปไปอบายภูมิอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรรมอันหนักมากทําแก่ผู้ให้กําเนิดท่านพระมหาโมคราณะนี้เป็นแต่เพียงทุบตีบิดามารดาของตนเองเท่านั้นกรรมอันนี้อํานวยผลให้ต้องถูกทุบตีถึงห้าร้อยชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ก็ได้เกิดเป็นพระมหาโมคคลานะทั้งทั้งที่ตัวนั้นได้เป็นพระอรหันต์แล้วกรรมอันนี้ก็ยังไม่ยอมละยังยังตามมายังติดตามมาที่จะให้ผลให้ให้ผลจนได้เพราะฉะนั้นท่านพระมหาโมคคลานะนี้ได้ทรงพิจารณาเช่นนี้แล้วก็รู้ว่ากรรมนี้กรรมที่ตัวเองนั้นได้กระทำมานั้น ได้กระทาแต่ผู้ให้กำเนิดบิดามารดานั้นมาตามทันดังนั้นในเดือนที่สามเมื่อถูกโจรล้อมจับอีกท่านพระมหาเถรนี้จึงไม่หนียอมให้โยให้โจรจับโจรเมื่อจับพระมหาเถรได้แล้วก็ช่วยกันทุบตีจนพระมหาเถรเนี่ยเรียกว่ากระโดกละเอียดไม่มีชั้นชิ้นดีก็แน่ใจว่ตนเองนั้นนะ แน่ใจตนเองว่าพระมหาเถระนี่ไม่มีทางที่จะฟื้นได้แล้วตายแน่นะแน่นอนก็จึงได้นําศพของพระมัพระมหาโมคคลานะเนี่ยไปทิ้งเสียนในป่าไปทิ้งเสียนในป่าแล้วก็จึงได้หลีกหนีไปพระมหาเถระนี้เมื่อโจรไปแล้วก็ดําริว่าเหล่านี้ควรจะไปทูลลาพระบรมศาสดาเสียก่อนที่จะปรินิพาน ดำริเช่นนี้ดังนี้แล้วก็จึงได้เยียวยาเรียงลำดับแห่งสลีละกายผูกเข้าให้มันโดยกําลังแห่งฌานนี้ก็จึงได้เหาะมาเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าเพื่อที่จะกราบทูลปรินิพานในข้อ น, นี้ก็น่าจะมีความสงสัยว่าทาไมโดนโจนทุกแล้วจึงไม่ตายก็เหตุด้วยว่าพระมหาเถรนั้นตอนที่ให้โยนให้จนจับและให้จนทุกนั้น ก็เด็กเขาสมาบัติเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจแห่งสมาบัตินี้จะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําอย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะให้ตายได้ด้วยอำนาจหรือว่าด้วยแรงอำนาจของสมาบัติดังนั้นพระเถระนั้นแม้จะจะถูกโจรทุกเนี่เรียกว่ากันโดกละเอียดหมดก็ไม่สามารถมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้พระเถระนี่นิพพานได้หรือมรณะภาพได้ดังนั้น เมื่อโจรไปแล้วก็จึงได้เยียวยาเนี่ยด้วยกําลังแห่งฌานนี้ก็จึงได้เหาะมาเฝ้าองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อมาถึงแล้วก็กราบทูลลาปริณิพานองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จึงได้ตรัสถามว่ามโมคลานะเธอจะปริณิพาน์าเมื่อไรแล้วก็ที่ไหนพระมหาเถระก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นั้นจะปรนิพานในวันนี้ที่กาลสิทธลาพระเจ้าค่ะองค์สุเนศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงแสดงธรรมโปรต ถ, ถาคตก่อนเพราะการที่จะได้เห็นสาวกเช่นเธอนั้นจะไม่มีต่อไปอีกแล้ว พระมหาเถรานั้นรับพุทธบัญชาแล้วก็จึงได้แสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศแสดงพระธรรมเทศนาถาวายองค์ุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <ME> เ <U TER S> มื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วก็ลงจากอากาศถาวายอภิวาทแล้วก็ทูลลาที่จะไปปฏิบัานอย่างกาลศีลองค์ุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จิงได้ตัสว่าเธอจงสําคัญการอันสมควรเถอด ท่านพระมหาโมคลานะนั้นกลับไปปรินิพานที่กาละศีลาซึ่งในวันที่พระมหาโมคลานะปรินิพานนั้นเป็นวันสิ้นเดือนสิบสองคือเป็นวันสิ้นเดือนแห่งกติกามากมากติกามากปรินิพานหลังท่านพระสารีบุตรเป็นเวลาสิบห้าวันประชาชน ก็จึงเมื่อได้ทราบข่าวก็จึงเด้นําธูปเทียนเครื่องบูชาทั้งหลายไปบูชาพระเถระเป็นอันมากแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสูจสงฆ์ทั้งหลายก็ใจสเสด็จไปกันทําชาปนากิจโดยที่พระองค์นั้นทรงเป็นประธานกระทาชาปนากิจอาชาปนากิจศพของพระมหาเถระด้วยพระองค์เองขณะนั้นเองปรากฏว่าฝนดอกไม้ทิพย์ได้ตกมา จะอากาศเป็นอันมากประมาณถึงหนึ่งโยธโดยรอบประชาชนทั้งหลายได้ไปชุมกันพร้อมใจกันกระทำการสการะอธิฐานนั้นตลอดถึงเจ็ดวัน